ฉันต่อไปนี้ให้พวกเราเตรียมตัวเข้าสู่การปฏิบัติก็ไม่นานนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพูดเรื่องอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็จะพูดหลายทีแล้วไม่ได้พูดทีเรื่องเนี้ยให้เราเข้าสู่การภาวนานะตั้งกายตรงท่านั่งเก้าอี้พยายามอย่าเอาหลังไปพิงอย่างนี้คือให้กระดูกกระหลังมันตั้งฉากกับพื้นตรงอย่างนี้วางเท้ากับพื้นวางแล้วกดทิ้งเลย เท้าได้วางแล้วทิ้งเลยอย่าไปขยับมันมือซ้อนกันหรือวางอย่างนี้ก็ได้แต่วางแล้วทิ้งเลยเขาบอกวางทิ้งวางโง่โงเงี้ยทิ้งเลยแต่กายต้องตรงลําตัวต้องตรงตรงเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นภาระถ้าเราเองอย่างนี้นะเรานั่งไปสักพักหนึ่งกายจะเป็นภาระแล้วเองอย่างนี้ก็จะเป็นภาระแล้วโกงอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเป็นภาระแล้วจะหลับง่ายเพราะฉะนั้นต้องตั้งตรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วการตั้งตรงลมหายใจเราจะดีด้วยถ้านั่งโกงอย่างนี้นะหายใจจะสั้นถ้าตั้งตรงอย่างนี้ปับ๊บมันหายใจได้ง่ายจะได้ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีแรกเอาเพื่เราเข้าสู่การปฏิบัติเลยที่นั่งอยู่ก็ตามตามที่ตัวเองถนัดที่นั่งเก้าอี้ก็เนี่ยซ้อนกันอย่างนี้ก็ได้วางอย่างนี้ก็ได้ตั้งกายให้ตรงแล้วหลับตาตัดความกังวลออกไปให้หมดเลย ไม่ต้องสนใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนรวยจนไม่สำคัญเรามีพื้นที่ในรัศมีไม่เกินหนึ่งเมตรที่วงกลมรอบกายที่ตั้งมีกายมีใจมีลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกจากนั้นก็น้อมใจเข้าไปสู่ใบหน้าให้มันรู้สึกอยู่ที่ใบหน้าของเรา จากนั้นก็น้อมเข้าไปสู่ที่ช่องจมูกหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจวาตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมา ช, ชา้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นลมสุดจนสุดลมหายใจหลังจากนั้นก็รู้สึกกับลมหายใจเข้า จิตที่ระลึกต่อลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้านั่นแหละเรียกว่าสติ <c oughs> <c oughs> ในว่วงเวลาไม่นานนี้เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องวิตกอะไรในชีวิต ท, ทั้งชีวิตในว่วงเวลานี้เรามีแค่ระลึกลมหายใจที่ไหลออกระลึกลมหายใจที่ไหลเข้า ไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจที่ไหลเข้าไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจที่ไหลออกให้ความรู้สึกเกาะอยู่กับลมหายใจที่ไหลออกเหมือนเรายืนอยู่ที่ริมริมลำธารและยืนมองสายน้ำที่มันไหลเราไม่ต้องไปหันหน้าตามน้ำที่มันไหลลงไปและไม่ต้องหันหน้าขึ้นไปตามน้ำที่มันกำลังไหลลงมาเราแค่มองไปนิ่งๆที่น้ำที่กาลังไหลอยู่ที่เดียวนั้น การนี้ก็เหมือนกันเอาความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีให้ความรู้สึกนั้นเข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลออกต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจจากนั้นก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกแล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าเมื่อรู้ลมหายใจไหลออก รู้ลมหายใจไหลเข้าได้แล้วเราก็ทําลมหายใจยาวทําลมหายใจของเรายาวให้ยาวให้ยาวโดยที่ไม่อึดอัดการทําลมหายใจยาวก็คือผ่อนลมหายใจลงมากลางๆให้ลมหายใจที่ไหลออกนั้นเป็นไปด้วยความตั้งใจ ให้ยาวทำลมหายใจเข้าให้ยาวทำลมหายใจออกให้ยาวทำลมหายใจเข้าให้ยาวแล้วให้จิตรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกยาวนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจ ทำจิตให้รู้สึกกับลมหายใจไหลเข้าตั้งแต่ต้นลมปลากลางลมปลายลมและสุดลมหายใจที่ไหลเข้าที่เป็นลมยาวนั้นทำลมยาวไปเรื่อยเรื่อยมันไม่อึดอัดนะลมยาวหายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้ตัวรู้ตัวที่ระลึกต่อลมหายใจน้่นคือสติ เมื use, really ่อเขามีความต่อเนื่องต่อลมหายใจที่ไหลออกต่อเนื่องต่อลมหายใจที่ไหลเข้าเขาก็จะเป็นสมาธิจะมีความแข็งแรงขึ้นมารู้ที่รู้ต่อลมหายใจที่ไหลออกรู้ที่รู้ต่อลมหายใจที่ไหลเข้ารู้นั่นแหละเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีตัณหามาณทิฐิไม่มีอารมณ์ใดๆอยู่ในนั้นเมื่อใดที่เขามีตัณหามาณทิติและมีอารมณ์อยู่ในรู้ แสดงว่ารู้นั้นออกจากลมหายใจแล้วไม่เป็นปัจจุบันคำว่าปัจจุบันแท้ก็คือขณะที่ลมหายใจไหลออกนั่นเป็นปัจจุบันอาการจิตที่ยังระลึกต่อลมหายใจที่ไหลออกในขณะนั้นเป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันนาการกับปัจจุบันธรรมอย่างนี้แหละเรียกว่าปัจจุบันแท้จิตก็เป็นกลางอยู่ตรงนี้น้อมเข้าไประลึกลมหายใจไหลออกยาว สบายสบายระลึกต่อลมหายใจเข้ายาวสบายสบายบางทีถ้ายาวเกินมันก็อาจจะอึดอัดเราก็ผ่อนลงมาให้มันลงตัวที่ไม่อึดอัด พอเรารู้สึกได้ระลึกได้ตอนลมหายใจไหลออกหนึ่งครั้งตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมนั่นคือเรามีสติหนึ่งครั้งของการหายใจออกพอรู้หายใจเข้าด้วยเราก็มีสติหนึ่งครั้งของการหายใจเข้านี่เท่ากับหนึ่งคู่ของลมหายใจแต่เรารู้คู่เดียวไม่พอเราก็รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทำลมหายใจยาวไว้ถ้าลมมันมีเป็นขยักขยักเราก็รู้ว่ามันเป็นขยักขยักไม่ต้องไปสงสัยถ้าจิตมันหลุดออกไปข้างนอกไปคิดเรื่องต่างๆก็ไม่ต้องไปสงสัยแค่กลับมาหาลมหายใจเท่านั้นนี่ ร, รู้ซื่อ เข้าไปที่ลมหายใจแต่มันหลุดออกไปเราก็กลับมาเหมือนเราขับรถอยู่บนถนนเราแน่วแน่อยู่กับเลนที่เรากำลังขับแต่ในระหว่างนั้นเราก็อาจจะเห็นข้างซ้ายมั่งข้างขวามั่งเราก็แค่รู้แค่ดูแค่เห็นแล้วเราก็กลับมาแน่วแน่อยู่ที่เลนของเราอย่างไรรู้ลมหายใจก็อย่างนั้นอะไรเกิ ด, กดขึ้นก็แค่รู้เห็นเฉยเฉยแล้วก็ไปรู้ลมหายใจ ซึ่งตอนนี้เรากำลังทำลมหายใจยาวเราก็รู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวจากนั้นก็น้อมความตั้งใจ น้อมความตั้งใจน้อมความตั้งใจอย่างใส่ใจเข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลออกยาวไหลเข้ายาวนี้เพ Rose ิ่มขึ้นให้มันน้อมกันไปน้อมกมันไปน้อมกันไปใส่ใจเพิ่มเข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจไหลออกน้อมกันไปใส่ใจเข้าไปเข็นข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลเข้า ตั้งแต่ต้นลมกลางล ม, ลมปลายลมสุดลมหายใจที่ไหลข้าลมมันจะราบเรียบก็รู้ลมมันจะแรงเบาหนักก็รู้พอลมหายใจออกสุด มันมีจังหวะที่ลมหายใจมันหยุดเราก็รู้ลมหายใจหยุดเข้าไปด้วยลองมาที่ลมหายใจหยุดหยุดลมหายใจจิตรู้นิ่งอยู่กับลมที่หยุดไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปครุ่นคิดเรื่องอื่นแค่รู้ลมหายใจหยุดนิ่งๆจนลมหายใจเข้ามันจะเกิดเราก็รู้ลมหายใจเข้า พอลมหายใจเข้าสุดลมมันหยุดเราก็รู้ลมหายใจที่หยุดนั้นในจังหวะที่เรารู้ลมหายใจหยุดความเป็นสมาธิมันปรากฏพอลมหายใจออกจะเกิดเราก็รู้ลมหายใจออกพอลมหายใจออกสุดลมมันหยุดเราก็รู้ลมหายใจหยุดและรู้ลมหยุด ด้วยความนิ่งที่เป็นอุเบกขาพอลมหายใจเข้าจะเกิดเราก็รู้ลมหายใจเข้า ถ้ามันมีความง่วงความเคลิ้มเกิดขึ้นให้ยืดกายให้ตรงนะแก้ด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็รู้ลมหายใจไหลออกพอลมหยุดรู้ลมหยุดรู้ลมหยุดนี่สำคัญมากเพราะมันเป็นสภาวะที่ปรากฏพอรู้ลมหยุดลมหายใจเข้าจะเกิดเราก็รู้ลมหายใจเข้า พอลมหายใจเข้าสุดก่อนลมหายใจจะไหลออกมามันมีลมหยุดเราก็รู้ลมหยุดนั้นรู้ไปเถอะรู้ลมหยุดพอรู้ลมหยุดไปลมหายใจออกมันจะมาเราก็รู้ลมหายใจออกพอลมหายใจออกสุดลมหยุดเราก็รู้สภาวะที่ลมหายใจมันหยุดนั้นนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะ ลมหายใจเข้าจะเกิดเราก็รู้ลมหายใจเข้าทำอย่างนี้สบายๆไม่เครียดไม่กดดันปล่อยวางแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นการระลึกที่ลงไปสู่ลมหายใจไหลออกไหลเข้าการระลึกที่ลงไปสู่ความหยุดของลมหายใจความระลึกนั้นแหละคือสติที่ตั้งอยู่ที่กาย จ, จะเจริญโตเิโตขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน เมื่อได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ปลดความกำหนดออกจากลมยาวเราไม่ต้องไปทำลมยาวปล่อยลมหายใจตามธรรมดาที่กายมันสบายหายใจออกยาวหรือสั้นก็ได้แต่เป็นหายใจที่สบายสบายหายใจเข้ายาวหรือสั้นก็ได้แต่มันเป็นลมที่สบายสบาย จิตก็น้อมเข้าไปเพื่อรู้ลมที่หายใจออกหายใจเข้านั้นตามสบายสบายแล้วก็เพิ่มความใส่ใจลงไปในเนื้อลมหายใจว่าลมหายใจที่เราไหลออกเป็นอย่างไรต้นลมมันแรงกลางลมมันเป็นอย่างไรปลายลมมันเป็นอย่างไรสุดลมมันเป็นอย่างไรแล้วพอถุดลมปั๊บลมหยุดจิตก็รู้แน่วแน่อยู่กับลมที่มันหยุด ้วยมีความระลึกเกาะอย่างต่อเนื่องเข้าไปอย่างนั้นจิตที่ระลึกนั้นนะ่ะมันเป็นอนิสิตะมันเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ของจิตเราที่ได้อยู่กับความนิ่งที่บริสุทธิ์น้อมกับไปรู้ลมที่เป็นธรรมชาติ พอเรารู้ลมหายใจหยุดลมหายใจเข้ามันจะเกิดเราก็รู้ลมหายใจเข้าพอลมหายใจเข้าสุดลมหายใจหยุดเราก็รู้ลมหายใจที่หยุดน้อมเข้าไปรู้อย่างใส่ใจนิ่งอย่างนั้นจนลมหายใจออกมันจะเกิด เราก็รู้ลมหายใจออกสบายสบายตั้งแต่ต้นลมกลางล ม, ลมปลายลมจนสุดลมหายใจอย่างนั้น มันมีความคิดแทรกซ้อนขึ้นมาในระหว่างที่เรารู้อยู่กับลมหายใจเราต้องกล้า พ, พอที่จะสอนใจเราว่าความคิดทั้งหลายที่กำลังเกิดอยู่นั้นมันเป็นเพียงแค่สภาวะอันหนึ่งที่ปรากฏเราแค่รู้ว่ามีความคิดเคลื่อนไหวพอรู้ปั๊บอย่างนี้มันจะดับไปเองเพราะมันถูกดับด้วยรู้ของความคิด ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปแช่ต่อว่ามันเป็นอย่างไรไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปครุ่นคิดต่อความคิดที่เกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นพอเรารู้ปั๊บมันก็จะดับเราก็จะยกจิตนั้นเข้าไปสู่ลมหายใจทันทีต้องกล้าพอที่จะทำอย่างนั้นสภาวะที่ชื่อว่าความคิดมันก็จะเข้ามาทาร้ายเราไม่ได้ในขณะที่รู้ลมหายใจ จิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ไว้เกาะกับลมหายใจไว้อย่างนี้อย่าให้มันลงร่องลึกจนหลุดออกไปจากลมหายใจถ้ามันลงร่องลึกหลุดจากลมหายใจมันจะไปเป็นสัญญาแล้วก็จะไปปรุงแต่งแล้วก็จะกลายเป็นอารมณ์เพราะมัน ปรุงแต่งไปสู่อารมณ์เรารู้ไม่ทันอารมณ์มันทําให้การนั่งของเราเป็นการนั่งทนไม่ใช่นั่งไม่ใช่นั่งเพื่อสติเราจะต้องกล้า พ, พอกับการที่เกาะลมหายใจไปเรื่อยๆดันั้นต่อไปนี้ก็จะนําพวกเราให้เข้าสู่หัวข้อที่จะพูดเรื่องรู้ลมชมกายในขณะที่เรานั่งเสริมสมาธิ เป็นการเรียนรู้ในขณะที่เรารู้ลมหายใจเรารู้ลมหายใจของเราไปเกาะไปเมื่อเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็เข้าไปรู้เรื่องนั้นแต่เรื่องที่เราเรียนรู้มันจะอยู่ที่กายของเราเราเข้าไปสู่การเรียนรู้เรื่องนั้นพอเสร็จแล้วมันจะไม่ออกไปข้างนอก เพราะถ้ามันจะออกไปข้างนอกเราต้องกลับมาที่ลมหายใจในกายของเรานี่มันประกอบด้วยธาตุสี่ที่เหมือนกันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุควลักษณะที่แข็งแข็งเป็นธาตุดิน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 น้อมความรู้สึกของเราเข้าสู่เกษาคือผมของเราเรียนรู้อย่างธรรมชาติไม่ใช่เรียนรู้อย่างสมมติถ้าเราเรียนรู้อย่างสมมติเราก็จะดูมันว่ามันทรงอะไรสวยไหมทันสมัยไหมมันดีไหมงามไหมอันนี้เรียกว่าเรียนรู้อย่างสมมติ แต่เราเรียนรู้อย่างความเป็นจริงอย่างธรรมชาติคือดูสีดูสันฐานดูที่เกิดดูที่อยู่ดูความเป็นจริงตามธรรมชาติของเขาเส้นผมนั้นตั้งอยู่บนศีรษะของเราหอกอยู่บนผิวหนังที่หุ้มกะโหลกมีลักษณะเป็นเส้นเส้นเบื้องหน้านั้นเริ่มตั้งแต่หน้าผากเบื้องหลังจดที่ปลายคอต่อ เบื้องซ้ายมีกกหูซ้ายเบื้องขวามีกกหูขวาเป็นขอบและเขาจะงอกขึ้นมาไม่ในบริเวณนั้นเกาะลมหายใจไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยลักษณะเส้นผมแต่ละเส้นที่งอกอยู่บนศีรษะเส้นใดก็เส้นนั้นเส้นหนึ่งที่งอกขึ้นนั้นเขาไม่รู้จักกับอีกเส้นหนึ่งที่งอกอยู่ เขาตั้งอยู่บนศีรษะของเราในลักษณะของการทะแยงน้อยเล็กๆแล้วก็รากของผมขวงอยู่บนหนังศีรษะที่โคนรากมีลักษณะคล้ายๆกับตัวเห่าเล็กๆที่คกฝังอยู่นั้นเป็นที่เกิดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นตัวหล่อเลี้ยง รากผมชุ่มแช่อยู่กับน้ำเลือบน้ำหลวงนั้นเขามีลักษณะเหมือนกันทุกคนคือมีความปฏิกูลหมายความว่ามีความสกรปรกเป็นหลักที่เกิดที่อยู่นั้นจะมีความสกรปรกโฉโครกเป็นหลัก เราจะทำอย่างไรอย่างไรเราแก้ตรงนี้ไม่ได้เพราะนี่เป็นความจริงอย่างธรรมชาติของเส้นผมเราจะสระให้สะอาดแค่ไหนเราจะเอาน้ำหอมขนาดไหนมาประพรมเราก็แก้ไขความสกปรกโสโครกของเขาไม่ได้เพราะเขามีที่เกิดที่อยู่ชุ่มแช่อยู่กับปุโปรโลหิตน้ำเหลืองน้ำเลือดดังกล่าวนั้นเขางอกตั้งแต่เราอยู่ในทองของมันดา จนถึงวันนี้มันมีการหลุดบ้างมีการห่อขึ้นมาใหม่บ้างเส้นผมนี้มีลักษณะคือการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแต่เดิมไม่มี ตอนก่อเป็นชีวิตใหม่ๆในท้องแม่ไม่มีเส้นผมมันเพิ่งก่อร่างสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามวัยตามอายุจากเริ่มต้นเป็นสีดำพอผ่านไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเขาก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจากการที่เขา หมกบุ้นชุ่มแช่อยู่กับน้ำเหลืองน้ำเลือดนั่นต่อมาบางคนก็เริ่มเปลี่ยนสีจากโคนผมบางคนก็เริ่มเปลี่ยนสีจากปลายผมก็ไม่แน่บางคนสีเริ่มเปลี่ยนจากตรงกลางแต่ส่วนมากเขาเริ่มเปลี่ยนจากโคนผมจากสีดำดำ ก็เป็นสีจืดจืดชืดชื ด, ชดและก็เป็นสีขาวขาวนี่ตามธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นในที่สุดมันมีเหตุอะไรก็ตามทําให้เขาหลุดร่วงลงไปเส้นผมที่หลุดร่วงลงไปนั้นในที่สุดก็จะกลายเป็นดินย่อยสลายกลายเป็นดินเดิมไปเขาจึงชื่อว่าธาตุดินถ้าเขาไม่ย่อยสลายกลายเป็นดินเดิมไปเมื่อใด ที่ร่างกายของเราธาตุไม่สมานนั่นคือเวลาที่เราตายถ้าปล่อยตามธรรมชาติไม่ต้องเอาไปเผาไฟร่างร่างนี้ธาตุน้ำธาตุดินแยกกันน้ําพยายามแทรกตัวเองออกมาจากธาตุดินธาตุดินก็จะยุย่ยย่อยสลายเส้นผมก็จะหลุดออกจากศรีรษะของเราทั้งหมด กองอยู่บนพื้นดินแล้วก็ถูกย่อยสลายกลายเป็นดินเดิมไปทั้งหมดเหมือนกันนั้นถ้าเราดูภาพของเส้นผมก็มีความเกิดขึ้นปรากฏแล้วในขณะที่ตั้งอยู่ก็มีความเปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปลวนปรากฏในขณะที่เปลี่ยนแปลงแปรปลวนนั้นเขามีอาหารหล่อเลี้ยงคือน้ำเหลืองน้ำเลือดแล้วก็มีความหลุดร่วงลงมาเป็นที่สุด แม้ไม่หลุดร่วงตอนนี้ในที่สุดเมื่อเราแตกดับเขาก็จะหลุดร่วงออกมาจากหนังศีรษะของเราก็กลายเป็นดินเดิมไปจากธาตุดินก็กลายไปสู่ธาตุดินเช่นผมของเราเป็นแบบนั้นเกาะลมหายใจไว้แล้วก็ยกกลับมาสู่ลมหายใจ อันนี้เรียกว่าเกษาอันมีอยู่ในกายของเราต่อไปมาดูโลมาคือเส้นขนเส้นขนมีลักษณะเป็นเส้นๆขึ้นหอกทั่วสับพางกายของเราเว้นเส้นผมเว้นขวามือขว่าเท้าตั้งแต่ที่ไม่ใช่เส้นผมที่ไม่ใช่ขวามือขว่าเท้า ที่ไม่ใช่เนื้อแข็งๆและเนื้อตายเนื้อเนื้อด้านมันก็จะมีเส้นขนขึ้นมาทั้งหมดก็เหมือนกับเส้นผมเหมือนกันแต่หอกอยู่ตามตัวทั่วร่างทั่วสัพพางกายของเราเส้นขนนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกับเส้นผมเกิดอยู่ในที่ชุ่มแจ่กับน้ำเหลืองน้ำเลือดเหมือนกัน มีเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสุดนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นก็ปรากฏตั้งอยู่ก็แปรปรวนสุดท้ายก็หลุดสลายออกมาจากผิวหนังของเราแยกย่อยออกไปเป็นธาตุดินเดิมไปไอันนี้เป็นเส้นขนเกาะลมหายใจไว้ จากนั้นก็ไปดูเล็บของเราให้ดูเล็บของตนเองนิ้วมือสิบนิ้วลาวนิ้วเท้าสิบเป็นลักษณะแข็งขงหอกอยู่ด้านหลังของปลายนิ้วมือนิ้วเท้ารากของเล็บนั้นหอกมาจากด้านในเชื่อมกับกระดูก อ่อนๆมีน้ำเหลืองน้ำเลือดเป็นตัวหล่อเลี้ยงก็มีลักษณะการเกิดขึ้นก็มีความปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็แปรปลวนขวังอยู่กับน้ำเหลืองน้ำเลือดนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีความสกรปรกโสโครกเป็นธรรมชาติ สิ่งที่ออกมาจากตามแนวเล็บเรเรียกกันว่าขีเล็บเมื่อใดที่เราร่างนี้แตกสลายธาตุดินย่อยสลายเล็บก็จะหลุดออกมาและก็จะสลายตนเองกลายเป็นธาตุดินไปเกาะลมหายใจไว้รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้า จากนั้นกลับไปเรียนรู้เรื่องของฟันที่ชื่อว่าทันตาควันมีเหมือนลักษณะเป็นกระดูกเป็นซี่ๆๆหอกอยู่ที่กระดูกคางทั้งคางล่างทั้งคางบนรากของควันอย่างด้านหน้าสองซี่อาจจะใช้รากเดียวกันคือหอกมาจากฐานกระดูกเดียวกันบางซี่ก็ มีรากเป็นของตัวเองโดยประมาณการทั้งหมดนะัสาสซี่ฟันนี้มีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารที่เกิดของวันนั้นก็เกิดอยู่ที่กระดูกคางล่างบนมีความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงดู ของน้ำเหลืองน้ำเลือดอีกเหมือนกันรากของควันจะจมอยู่กับน้ำเลือดของเราที่มันหมกอยู่แช่อยู่มันเป็นปฏิกูลมันส ก, กปรกถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างไม่บ้วนมันก็จะไหลปล่อยออกมาที่เราเรียกกันว่ามูลฝันมูลควันนั้นนี้แหละที่เป็นตัวปฏิกูล ของกายเรารู้เข้าไปสื่อสื่อตรงๆอย่างนั้นจนจิตมันสัมผัสได้เกิดความรู้สึกได้จิตสัมผัสได้เกิดความรู้สึกได้ว่ามันสุกกับปลกโศโคร่จริงๆ แล้วก็น้อมจิตกลับมาที่ลมหายใจให้ใจออกรู้หายใจเข้ารู้จากนั้นก็น้อมกลับไปสู่กายที่ชื่อวันหนังคือตะโจแปลว่าห น, นังที่หุ้มอยู่ทั่วร่างกายนี้มีลักษณะเหมือนกับถุงหนัง ที่หุ้มกายทั้งกายไว้ผิวนอกนะเขาเรียกว่าหนังกำพร้าตัวหนังจริงๆหนาไม่มากมันวางอยู่วงบนพังผืดทั่วร่างมีพังผืดรองรับหนังทั่วร่างของเราตั้งแต่กะโหลกศีรษะยันขวาเท้า แล้วก็ฉโลมไปด้วยเลือดภายในที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงให้หนังนั้นมันชุ่มอยู่แล้วก็มีตอมเป็นรูเล็กๆทั่วสัพพางกายของผิวหนังนี้คบคอยระบายไอร้อนความร้อนออกมา เขาขยายตัวขึ้นตามความที่เราเรียกกันว่าเจริญเติบโตในระยะเวลาหนึง่งแล้วก็หยุดความเจริญเติบโตมีลักษณะเกิดขึ้นก็มีความปรากฏเหมือนกันตั้งอยู่ก็มีความแปรปลีนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามอายุตามวัยเมื่อเปลี่ยนแปลงไปผิวหนังของคนเรานั้น มันจะเริ่มต้นตั้งแต่การตึงเมื่อสุดจากการตึงมันก็เริ่มการหย่อนที่เรามีชื่อเรียกกันต่างๆเขาจะหย่อนใกล้ๆกันหย่อนจากที่แรกๆของการหย่อนอาจจะเป็นตามรักแร้ตามข้อพับตามหางตา ตามหลุมคออันนี้เป็นการหย่อนหย่อนของผิวหนังผิวหนังนี้เป็นธาตุดินที่ผสมผสานขึ้นมาเมื่อใดที่ร่างกายของเราไม่ชำระสะสางมันก็จะเกิดความสกรปรกหมักหมมเป็นเหงือ่อเป็นใครเป็นสิ่งสกรปรกปฏิกูล แต่เมื่อใดที่เราตายผิวหนังนี้ก็จะค่อยๆ ย, ย่อยสลายเน้าแล้วก็ละลายลงไปเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกได้ว่าหนังของเรานั้นมันส ก, กรปรกอย่างไรยกจิตมาที่ลมหายใจ จากนั้นเข้าไปสู่การเรียนรู้เรื่องเส้นเอ็นว่ากายของเราที่มันตั้งอยู่ได้เป็นรูปเป็นร่างคูได้เหยียดได้เพราะมันมีเส้นเอ็นใหญ่ๆคอยรัดรึงเชื่อมตั้งแต่กล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อให้คงอยู่ตั้งแต่เอ็นหลังมือ เอ็นหน้ามือเอนท่อนแขนเอนท่อนแขนช่วงบนเอนไหลปลาเอไหลซ้ายเอ็นไหลขวาเอ็นแผ่นหลังเอ็นแผ่นหน้าเชื่อมลงไปจนถึงเอ็นท่อนขาเอนสะโพกเอนปลีแคงเอนหลังเท้าเอนหน้าเท้าซึ่งเป็นเอ็นหลักๆที่คอยรัดรึงผูกเชื่อมโยงท่อนของกายนี้ ให้คงเป็นกายอยู่คู่ได้เหยียดได้ใช้การได้เส้นเอ็นเหล่านี้มีความเกิดขึ้นก็มีความปรากฏเหมือนกันและก็มีความแตกสลายเป็นที่สุดเหมือนกันในขณะที่รัดรึงกายนี้อยู่ก็ถูกฉลมด้วยเลือดมีกล้ามเนื้อเกาะ อ, อยู่ด้วย มีความถกกรกปรกปติกูลปรากฏอยู่เป็นลักษณะเมื่อใดที่เราดับชีวิตลงเอ็นเหล่านี้ก็จะหยุดนิ่งแข็งแล้วก็ย่อยสลายอ่อนตัวย่อยสลายปุกพังลงไปกลายเป็นดินเดิมไป หาปรากฏรูปให้เห็นอย่างแท้จริงไม่ได้เอ็นยังไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่เอ็นผมจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่ผมขนยังไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่ขนควันยังไม่ใช่เราเล็บจึงไม่ใช่เราเราไม่ใช่เล็บเราไม่ใช่ควันหนังก็ไม่ใช่เราเราไม่ใช่หนังมันเป็นเพียงแค่ของที่เกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติอย่างนั้น ต่อไปดูกระดูกของเรากระดูกที่เป็นท่อนท่อนทท่นท น, น, นถ้าว่าเป็นเด็กอยู่ในท้องแม่มีประมาณสามร้อยท่อนตอนคลอดออกมานะแต่พออยู่โตมาโตมาโตมามันก็ลดจำนวนลงเหลือประมาณสองร้อยกว่าท่อนเพราะว่ากระดูกบางกระดูกที่มันอยู่ใกล้กันมันเชื่อมต่อกัน เช่นกระดูกด้านล่างของบั้นเอวแต่ก่อนที่รกคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆมันเป็นชิ้นมันเป็นสองชิ้นพอโรโตขึ้นมามันยืดยืดยืดเสร็จกระดูกอ่อนๆเหล่านั้นมันก็เชื่อมกันแข็งขึ้นมาก็เป็นชิ้นเดียวกันรันสองร้อยกว่าเกือบสามร้อยชิ้นทั้งหมดเป็นเหมือนกับ แกนหลักของกายที่ให้มันมีความแข็งแรงทรงตัวอยู่ได้ตั้งแต่กระดูกข้อเท้าตลอดจับด้านเท้าซ้ายที่ข้อเท้าก็มีกระดูกข้อเท้าซ้ายกระดูกเท้าซ้ายกระดูกแข้งซ้ายกระดูกขาซ้ายกระดูกปลายเท้าขวากระดูกเท้าขวากระดูก แข้งขวากระดูกขาฝาขึ้นมาก็เชื่อมกับกระดูกเชิงกลานก็ขึ้นมาจากนั้นก็เป็นกระดูกสลังตั้งเป็นข้อร้อยเรียงลงมาจนถึงคอต่อแล้วก็หอกออกมาช่วงกลางก็เป็นกระดูกซี่โครงนี่เป็นกระดูกหลักๆเพื่อสร้างเป็นเกราะกำบังให้กับอวัยวะภายใน จนถึงกระโหลกศีรษะกระดูกแขนซ้ายแขนขวาท่อนแขนซ้ายขวากระดูกนิ้วมือซ้ายขวากระดูกทั้งหมดเหล่านี้ถูกรัดดึงด้วยเส้นเอ็นฉาบทาด้วยน้ำกล้ามเนื้อด้วยพังผืดด้วยเลือดแต่เราสามารถมองแซจากผิวหนังของเราลงไปจะเห็นเป็นสีเลือดเคลือบกระดูกดันอยู่สีแดงแดงระเรื่อ ตัวกระดูกนั้นขาวแต่เราจะมองไม่ค่อยเห็นความขาวของกระดูกในขณะที่มันอยู่ในกายเพราะมันมีสีเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองเคลือบอยู่มีเนื้อเคลือบอยู่มีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่มีพังผืดเกาะ อ, อยู่ไอ้นี่เรียกว่ากระดูกกระดูกนี้เป็นธาตุดินมีความปรากฏเมื่อเกิดขึ้นมีความปรากฏตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวน เราออกมาจากท้องแม่นั้นมันสั้นอยู่แต่ละท่อนมันก็ยืดยืดยืดยืดยืดพออายุยี่สิบ้ายี่สิกเขาก็หยุดยืดพอเขาหยุดยืดต่อไปเขาก็ค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจากกายที่ตั้งตรงๆมันก็เริ่มคูเริ่มโน้มไปข้างหน้าเพราะความแข็งแรงของกระดูก มันลดลงลดลงลดลงจนในที่สุดเมื่อเราตายกระดูกนี้ก็จะตั้งอยู่นิ่งๆเมื่อทุกอย่างหลุดเด็ดดอดออกมาจากกายโครงกระดูกก็เหลืออยู่เป็นโครงโครงหนึ่งไม่ว่าใจจะสาคัญว่าเป็นแบบไหนสุดท้ายมันก็เป็นแค่โครงกระดูกที่เราสามารถมองในกายของเราตอนนี้เป็นเพียงแค่โครงกระดูก มันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยแล้วเมื่อนา น, านไปเข้ามันก็จะผุพังย่อยสลายกลายเป็นดินเดิมไปอันนี้เป็นกระดูกกระดูลึกลงไปในกระดูกเราก็จะมองเห็นเรียกว่าอัตติมินยังคือเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกนี้มันเป็นเหมือนกระดูกไก่ที่เราเคยรู้เคยเห็นมาในกระดูกมันจะมีเยื่อในกระดูกเรียกว่าไขกระดูก ซึ่งทำให้กระดูกนั้นมีความสดชื่นชุ่มชื่นแข็งแรงแต่ว่าเมื่อกระดูกเมื่อไขกระดูกหรือตัวเยื่อในกระดูกนี้มันเสื่อมสุดโสรมลงไปก็จะมีผลต่อกระดูกทำให้กระดูกผูกกระดูกพุ่นกระดูกมีปัญหามากมายและที่แน่ๆก็คือเยื่อในกระดูกนั้น จะเสื่อมได้ง่ายตามอายุแต่เมื่อเราตายไปเยื่อในกระดูกนั้นก็จจย่อยสลายกลายไปเหมือนกันก็ลมหายใจวายจากนั้นเราก็ไปสู่มา้ามเรียกว่าวักกัง มามอยู่ทางไหนของร่างกายเราตะซีกซ้ายก็ไตกระ บ, บังลมใกล้ๆกับไตด้านซ้ายมีลักษณะเหมือนมะม่วงแขวดแต่มีขั้วดเดียวมะม่วงแวดแต่มีขั้วดเดียวความยาวถ้าเป็นผู้ชายก็ประมาณสิบสามเซนก็คือสีนิ้ว น้ำหนักประมาณสองกรัมมามอยู่ที่ใต้กระบังลมด้านซ้ายตอนอยู่ในท้องแม่มามเราเนี่ยทำหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงแต่พอออกมาจากท้องแม่มันก็หยุดหน้าที่นั้นปล่อยให้ไขกระดูกเป็นตัวผลิต แแต่เมื่อใดที่ไขกระดูกมีปัญหาเพราะโรคบางอย่างตัวมามก็จะมาผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยเขาทำหน้าที่หลักคือการกำจัดเชื้อป้องกันโรคแล้วก็กำจัดเม็ดเลือดที่ตายแล้วลงไปสู่ปัสสาวะในหน้าที่เขาตาสสำคัญมากมีลักษณะสีแด ง, แดง ตั้งอยู่ตรงช่วงขวกซ้ายใกล้ๆกับใกล้ๆกับไตด้านซ้ายใตยกระ บ, บังลมมาม น, นี้ปรากฏตั้งแต่เราอยู่ในท้องแมนะ่แล้วก็พเราคลอดจากท้องแม่มามันก็ยังอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆแต่โอกาสที่เขาจะเสื่อมสุข ในขณะที่เขาทำหน้าที่ก็จะมีความเสื่อมสึกหรอถ้าเราสามารถมองเห็นได้เราก็จะเห็นสีเลือดแดงๆเรื่อๆอยู่ที่ม้ามของเรามันมีความสกรปรกมีความปฏิกูลไม่มีความสวยสดงดงามอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็แน่นอนที่สุดเมื่อเราตายม้ามตัวนี้ก็จะสลายกลายเป็นดินออกไป ยกจิตกลับมาสู่ลมหายใจรู้ลมหายใจไลลออกรู้ลมหายใจไลเข้ารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไลเข้าสบายสบายจากนั้นเราก็เข้าสู่การเรียนรู้เรื่องหัวใจอืม หัวใจมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่มีการบีบรัดตัวแล้วก็ปล่อยบีบตัวแล้วก็ปล่อยบีบตัวแล้วก็ปล่อยข้างในมันเป็นเหมือนกับเป็นห้องห้องตรงกลางก็จะมีแองก็เรียกว่าแองนามเลียงหัวใจ ถั่วใจของคนที่ฉลาดมีความแข็งแรงสภาพหัวใจมันก็เหมือนดอกบัวตูมตมแล้วก็กลีบนอกเปิดออกมาหน่อยหนึ่งเรียกว่าบัวเริ่มปริบานแต่ถ้าคนโดยทั่วๆไปหัวใจก็จะเหมือนบัวที่ฟ่่ำ มีการทำงานตลอดเวลาไม่เคยพักตั้งแต่ก่อตัวขึ้นมาในท้องของแม่เต้นตึบตึบตึบ ต, บตึบนึกเกินการเบียบตัวโดยใช้ลิ้นของหัวใจเป็นตัวปิดเปิดมีหน้าที่สูบเลือดทั้งหมดเขาเรียกว่าสูบฉีด กระจายเลือดไปทั่วร่างกล้ามเนื้อหัวใจที่มันบีบรักตัวเองบีบวางบีบวางบีบวางบีบวางบีบวางถ้าอายุออประมาณห้าสิบห้าปีนี่ก็เฉลี่ยก็ประมาณสองพันห้าร้อล้านครั้งแต่คนโดยทั่วไปปกติก็เจ็ดสิบสองครั้งต่อนาที เขาทำงานไม่เคยหยุดทุกครั้งที่มีการบีบตัวก็จะมีความเสื่อมสึกร้อลงตามสภาพเขาเป็นจุดที่หยุดชีวิตวันใดที่เขาหยุดทำงานชั่วยะเวลา แค่เกินสีน่นาทีขึ้นไปร่างกายของเราก็จะมีปัญหาประสาทต่างๆก็จะตายสมองก็จะตายและจะหยุดนานไปกว่านั้นเราก็จะสิ้นชีวิตธาตุทั้งสีไม่อาจจะสมานกันได้เรียกว่าหัวใจนั้นเป็นตัวสมานธาตุทั้งหมดค่อยคงอยู่ เขาเป็นธาตุดินก่อตัวขึ้นมามีความปรากฏและก็มีความเปลี่ยนแปลงครั้นเมื่อเราแตกสลายเขาหยุดทำงานแล้วในที่สุดเขาก็เปื่อยเน่าย่อยสลายตัวเองออกไปกลับไปสู่ความเป็นธาตุดินดังเดิมยกจิตกลับมาเข้าสู่ลมหายใจหายใจออกรู้รู้ในลมที่ไหลออก รู้ในลมที่ไหลเข้าในอวัยวะร่างกายภายในของเรานั้น หัวใจเสร็จแล้วเราก็มีตัดพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลต์หนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลอยน้ำน้ำงอวน้ามูดไข่ข้อมูดเรารู้ไม่จำเป็นจะต้องหมดทั้งกายรู้ที่เราสามารถรู้ได้เช่นรู้ผมรู้ขนรู้เล็บรู้ปันรู้หนัง เรียกว่กรรมฐานห้ารู้ให้มันประจักษ์น้อมกลับไปไเห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นสิ่งที่โซกโปรกโกรโคร ก, ก, ร ก, ก, รกไม่ใ่มันงดมันงามอะไรนักหนาเพื่อให้จิตมันน้อมกลับมาให้มันบริสุทธิ์ได้รู้โดยประจักษ์แล้วจะทําให้เรงไม่ประมาทไม่ไปเพิ่มความหลงฤิ ร, รอนความอยาก ไม่ไปเพิ่มแล้วก็สามารถทำจิตนี้ให้มันเกิดความอภัยได้ง่ายด้วยน้องมาสู่ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ จากนั้นก็ยกจิตกลับมาไปรู้สึกที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกยกมือขวาไปช้าช้าด้วยความรู้สึกของจิตแล้วก็วางไว้ที่ข่าข้างขวาขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นช้าช้าให้จิตรู้สึกเลื่อนมือซ้ายไปทางซ้ายช้าช้าวางไว้ที่ข่าซ้ายให้จิตรู้สึก เลินน้อมจิตกลับมารู้สึกที่ใบหน้าของตนเองระหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิอไปถึงมามหัวใจใช้ได้ทีนี้ให้พวกเราพัก เ, เข้าขน้ำนะย้ยเกินสิบนาทีใครที่เข้าแล้วก็ไม่ต้องเข้านั่งสบา ย, บาย <c oughs> เออ่ ความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ที่เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้แต่ถ้าเวลารู้โดยจิตที่เป็นสมาธิมันจะปักใจได้ดีกว่า